นี่ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่พวกเราก็มาช่วยกันทำให้วันปีใหม่เป็นวันมงคลวันปีใหม่จริงๆมันจะเป็นมงคลหรือไม่นี่มันอยู่ที่เราเด้อถ้าเรามาทําความดีกันเช่นมารักษาศีล มาถวายทานแกพระสงฆ์อันนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ทําให้วันปีใหม่เป็นวันมงคลเพราะว่าได้ช่วยกันทําความดีทําความดีแล้วจิตใจก็แจ่มใสแล้วมันก็เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ ถ้าหากว่าเราบ่ได้ทำความดีปีใหม่มันก็เป็นวันมงคลบ่ได้หรือว่ายิ่งกว่านั้นคือว่านอกจากจะบ่ได้ทำความดีแล้วยังทำสิ่งที่มันบ่ดีผิดศีลมันก็จะกลายเป็นวันอั ป, ปมงคลได้อย่างเช่นวันนี้นี่ถ้าหากว่าบ่มีสติกินเหล้าเมายา มันก็จะกลายเป็นวันอระมงคลเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุมีคนตายพิการเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันทำให้วันนี้เป็นวันมงคลตลอดวันแล้วก็ถ้าให้ดีกว่านั้นก็นคือว่าเป็นมงคลตลอดทั้งปีเลย ด้วยการทำความดีทำความดีนี่ก็ทำความดีเริ่มต้นที่กายที่วาจาแล้วก็ให้มันไปถึงใจให้เหมือนกับว่าเราได้มาช่วยกันทำชีวิตให้เป็นชีวิตใหม่อ ย, อย่าเพียงแค่สวัส ด, ดีปีใหม่อย่างเดียวเด้อให้มันสวัส ด, ดีชีวิตใหม่ด้วย ปีใหม่แต่ว่าชีวิตยังเก่าอยู่มันบม่มีประโยชน์ด้วปีใหม่ทั้งทีก็ขอให้มีชีวิตที่มันใหม่ขึ้นกว่าเดิมใหม่ขึ้นกว่าเดิมยังไงก็หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันเป็นความทุกข์เป็นความเศร้าเป็นความเครียดเป็นความโกรธ ความขุณนข้องมองใจผิดใจกันที่มีในปีก่อนนะก็ขอให้ละทิ้งไปซะปล่อยไปซะมันเป็นอดีตไปแล้วปล่อยให้มันเป็นเรื่องอดีตไปซะอย่าเป็นยึดอย่าไปเกาะ อ, อย่าไปติดนะถามใจตัวเองนะมื้อนี้นี่ยังไป ยังไปพวาวงไปห่วงกับเรื่องเก่าๆอยู่บ่ยังเครียดยังซูลกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วบ่ยังเสียดายเศร้าโศกอะไรเรื่องที่มันผ่านไปแล้วบ่ปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับสิ่งที่มันเหมือนกับขยะที่เราทิ้งไปตามลําน้ําให้มันให้น้ําพัดพาไปจะไปใส่ก็แล้วแต่ แต่ว่าอย่าให้มันนะอย่าไปยึดไปเกาะมันไว้การเวลานี่เหมือนกับกระแสน้ำปล่อยให้การเวลานี่มันพาเอาความทุกข์พาความาเศร้าความเครียดความหมองออกไปจากใจของเราซะอย่าไปยึดอย่าไปเกาะ อ, อย่าไปปูมันเอาไว้ ให้ใจของเราใสาสะอาดเหมือนกับว่านะเหมือนก็นได้ชำระสิ่งที่มันเป็นปฏิกูลออกไปจากใจทุกเช้าตื่นขึ้นมาเราก็ล้างหนะ้านะถ้าเป็นวันธรรมดาไม่นานเราก็อาบน้ำนะชำระสิ่งสะกะปรกออกไปจากร่างกาย ปีหมยแล้วนี่ก็ขอให้ชำระสิ่งที่บอดีออกไปจากจิตใจของเราที่จริงบรต้องทำอะไรดอกนะเพียงแค่ปล่อยสิ่งที่มันเป็นอดีตให้มันผ่านไปใจเราก็สบายแต่ว่าใจเรามันยังไปยึดไปเกาะไปผูกไปติดกับสิ่งที่มันควรจะเป็นอดีต ปอให้มันผ่านเลยไปซะเนื่อนี้เรียกว่าสวัสดีนะให้เราลาทีชีวิตเก่าสวัสดีชีวิตใหม่นะตอนนี้เนี่ยนะให้เรานะทําความดีนอกจากจะปล่อยเรื่องที่มันผ่านไปให้มันเลยไปแล้วนะก็ขอให้ทําความดีกันให้มากขึ้น นะทำความดีให้มากๆด้วยการรักษาศีลนะด้วยการทําจิตใจให้ของใสนึกถึงแต่สิ่งที่มันดีปีใหม่ทั้งทีนี่ขอขอให้มีอะไรใหม่ๆกับชีวิตของเราโดยเฉพาะนิสัยใหม่ๆที่ดีๆนะที่เคย นะเคยมักโกรธมักเครียดนะก็ขอให้เครียดน้อยลงโกรดน้อยลงที่เคยขอให้ที่เคยนะเคยกินเหล้าเคยเที่ยวเคยนะฟุ่มเฟือยนะก็ขอให้ทําน้อยลงอันนี้เรียกว่าเป็นการทําให้ชีวิตใหม่เกิดขึ้น แต่ละปีแต่ละปีผ่านไปขอให้ความดีมันจะเลงอกงามขึ้นอย่าให้อย่าให้น้อยหน้าต้นไม้หัวเลือกหัวมันทุกปีทุกปีมันก็โตขึ้นโตขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีก็เป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อนะผู้คนหัวเลือกหัวมันมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของ ใจเราเหมือนก็เหมือนกันนะก็ขอให้เจริญงอก ง, ง, งามขึ้นด้วยความดีนะเริ่มต้นโดยการละชั่วซะแล้วก็ทำดีทำดีทำบุญแต่ว่าบ่ได้ละชั่วนี่มันบ่ครบถ้วนเด้เหมือนกับว่าเรานะใส่เสื้อผ้างามๆแต่ว่าบ่ได้ล้างหน้าล้างตัวบ่ได้อาบน้ำ ใส่เสื้อผ้าที่งามแต่ว่าบราได้ซักบราได้ล้างหน้าอาบน้ำนี่มันดีป่อนะมันก็บกด่ดีต้องล้างหน้าอาบนา้ำซะก่อนล้างน้าอาบน้ำก็หมายถึงว่าละชั่วก็คือเอาสิ่งสงกปรกออกอไปจากร่างกายจากจิตใจของเราเสร็จแล้วค่อยไปหาเสื้อผ้าสวยๆ ง, งาน ม, มาใส่นะเอาแป้งมาทานะอันนี้ก็เรียกว่าครบครบถ้วน นะเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เราละชั่วทำดีละชั่วแต่ว่าบัดทำดีก็เหมือนกับว่าอาบน้ำนะแต่ว่าเสื้อผ้าก็บัดใสหรือว่าใส่เสื้อผ้าบอกงามมันก็บอกครบถ่วนนะนะขอให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่นะนอกจากมาทำความดีกันด้วยการถวายอาหารถวายสังฆทานกับพระแล้วก็ขอให้นะอย่าลืมเน้อในสิ่งที่บัดี ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจก็ขอให้ละขอ้อยเลิกขอ้อยลดละสิ่งบอดีทางกายก็เช่นเรื่องอบายามุขเรื่องเล่านะเรื่องการพนันเรื่องการเบียดเบียนนะการฆ่าสัตว์การคดโกงการทำร้ายผู้อื่นหรือว่าการดินทาว่ากล่าวผู้อื่นนะก็ขอให้พันเทาเบาบางลงไป อันนี้เลย ว, ว่าสิ่งที่ปลอดีทางกายทางวาจาสิ่งที่ปลอดีทางใจก็คือเรื่องความเคียดความสูงความโกรธความเพียบาทความเศร้าความโลบนะก็ขอให้ลดละปล่อยวางไปด้วยนะแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาทำความดีอย่าลืมว่าคนเราจะเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยมันอยู่ที่การทำความดี บ่ได้อยู่ที่เงินทองบ่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติเพราะว่าถ้ามีทรัพย์สมบัติแต่ว่าความดีบ่ทำทรัพย์สมบัติมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่กัดกินเจ้าของทุกเพราะทรัพย์สมบัติทุกเพราะชื่อเสียงอันนี้เพราะว่าจิตใจนี่บ่ได้ฝึกบ่ได้ฝนให้มีความดีเป็นเครื่องรักษามีเงินเท่าไหร่ก็หาความสุขบ่ได้เพราะถ้าว่าจิตใจนี่บ่ได้มีความดีเป็นเครื่องรักษาไว้ อย่าลืมเด้อปีใหม่มองให้ดีๆนะปีใหม่แต่ละปีแต่ละปีมันก็หมายความว่าเราเข้าใกล้ความตายเข้าไปอีกปีหนึ่งให้มองตรงนี้บ้างปีใหม่มาถึงก็หมายความว่าเราเข้าใกล้ความตายเข้าไปอีกปีหนึ่ง อย่ามัวแต่เพลิดเพลินสนุกสนานกับปีใหม่ให้มองไปไกลๆด้วยว่าเราเข้าใกล้ความตายเข้าไปอีกปีนึงเราได้เตรียมสเสบียงเอาไว้เราได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความตายที่จะมาถึงบ่นคนเดียนี้บอกได้นึกถึงตรงนี้เท่าไหร่นึกถึงแต่ว่าเออปีใหม่ฉันก็สนุกสนุก ปีหม่มันหมายคำ ว, ว่ารอดตายไปอีกปีหนึ่งมีโอกาสได้เสบสุขสนุกสนานไปอีกปีหนึ่งแต่มันก็หมายความว่าก็เข้าใกล้ความตายเข้าไปอีกปีหนึ่งโอกาสที่จะสนุกสนานโอกาสที่จะจะจะแสบสุขมันก็น้อยลงไปถ้าเราพอได้ทําความดีเอาไว้เป็นบุญ เป็นสเบียงเป็นเป็นต่อไปแล้วมันก็จะบ่มีเครื่องเลี้ยงตัวด้วยถึงเวลาจะต้องตายก็ก็รู้วิธีจะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาแต่สนุกสนานมากนะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรปนิพพานก็สอนธรรมะข้อสุดท้ายนั่นก็คือความไม่ประมาท เพนนั้นปีใหม่มานี่ก็ขอให้เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าอย่าประมาทอย่าประมาทชีวิตเราก็เหลือน้อยลงไปอีกปีหนึ่งอย่าสนุกสนานมากให้ทำความดีละชั่วทำดีสร้างบุญกุศลเอาไว้อย่างน้อยๆนี่ก็ให้รู้จักประหยัด ให้รู้จักเก็บพร้อมลอมลิฟอย่าเอาแต่เที่ยวเพราะว่าปีหน้าปีนี้มันก็บอกค่อยสดใสเท่าไหร่เศรษฐกิจเขาก็บอกว่าดีนะถ้าอยากมีความสุขนี้ก็ขอให้รู้จักประหยัดเก็บพร้อมลอมลิฟเอาไว้นะแล้วก็ทําความดีให้มากๆนะถ้าทําความดีมากๆแล้วเนี่ยมันจะลําบากแค่ไหนมันก็ลําบากแต่กายแต่ว่าใจนี่ก็ อยู่รอดปลอดภัยไดนะ้แล้วก็ขออนุโมทนาเด้วที่ญาติโยมทุกคนได้มาร่วมกันทำ บ, บุญในวันนี้นะก็ขอให้บุญกุศลที่ได้บําเพ็ญ น, นะนั้งอํานวยอวยผลให้เจริญด้วยอายุวันนาสุขพะพละให้มีความสุขทั้งกายและใจให้บุญที่ได้บําเพ็ญ น, นั้นจงอำนวยไวผลให้เกิดความดูเย่นเป็นสุขให้เจริญก้าวหน้าในธรรมแล้วก็ให้ ความสุขทั้งมวลนั้นะนะจงบรรดาลให้ได้เกิดความความเพียรความตั้งใจในการที่จะทำความดีให้ยิงย่งยิ่งิงขึ้นไปจงกระทั่งได้เข้าถึงความพ้นทุกข์คือนิพพานด้วยการทุกพลเทอินลาเตียมรับปวดน้ำเดอ้อยะท้าวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง วงน้ำที่เต็มย่อมยำสงตสาคอนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอว่ามเมว่อวโตทิ่นังเปตานังอุปากาปติสาธิานุทิให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิจิตังปฏิตังทุมหังอิยฉาผลที่ดันปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว อิปามีวาสัมมิจาโดโเลโดยครนอาเปุเรตุสักาอานตมีั้งปวจงเต็มที่ฉันโนสยา